อาตกบริการทุกท่านนั่งฝ่ายบรนทชิดและขลห์หักในวันธรรมโชนะเป็นวันพระแลมแป่ข้ามเนยี่ในวันนี้วันพระรวดเร็วมากมาถึงแลมแล้วแต่ข้ามในวันนี้ที่เราเรียกกันว่าวันธรรมโชณะเป็นวันพระที่เราพุทธบริษัททั้งหลาย ได้เตรียมตัวฟังธรรมปฏิบัติธรรมะสร้างความดีในวันพระทำจิตใจเป็นพระในวันนี้เรียกว่าวันธรรมโชนะเป็นหน้าที่ของอุบาสกบัณิกาทุกท่านจักสาวโบสด <c oughs> กำหนดองค์แอกการเรียกว่าอุโบสถท่านผู้ศษาีนกระชนทั้งหลาย ก็มาเลยรักษาโสดก็รักษาสิงที่มีกำหนดไว้องค์ห้าประการตั้งแต่ปานาทั้งทุลาไม่ขาดเป็ น, นจสัสมิตรเป็นอาจินเรียกว่าพุทธศ า, าสนิกผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศ า, าสนาเนี้ยเรียกว่าชาวุทธแต่เราท่านทั้งหลายเข้ามาสู่ภาวะแห่งวัดปฏิบัติ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 ก็เรียกวันธรรมชุนนะเป็นการสมมติขึ้นมาว่า น, นี่วันนี้พ ร, พระพระแต่ถึงหากว่าวันปกติกธรรมดาไม่ใช่วันโกนงินพระเราก็สามารถจะปฏิบัติธรรมได้ทุกวันในการสร้างความดีนั้นทําได้ทุกเวลาทุกนาทีทองประคองไว้วี่จิตใจควรเราจะดีได้หรือดีไม่ได้นั้นมันอยู่ที่จิตใจ จนแท้มจนปัญญาจนหลักฐานจนงานทำจนด้วยสติปัญญาและความสามารถทุกเรกการเรียกว่าความจนแท้จนท่าจนกรอกบอกไม่ได้ใช่ไม่เป็นไม่สามารถจะมีหนทางมรรคเหมาคาเดินต่อไปได้แก่เรียกว่าคนจนมันจนแท้มอย่างนี้เป็นต้นดังนะั้นการที่ท่านทั้งหลายมาสู่วัด ปฏิบัติธรรมถ้าชั้นตามกเรียกว่าพุทธศาสนาหนึ่งรักษาสิกขาบทห้าประการไม่ขาดเป็นนิจจะสิ้นถึงจะเรียกว่าพุทธศาสนาหนึ่แต่ถึงวันพระเราก็เข้ามาสู่วัดกันเป็นชั่วโมงเดียกวก็าตามสองชั่วโมงก็าตามรักษาอุโบสถขณะ น, นี้กายกรรมสามวัตถกรรมสี่มนกกรรมสามให้ครบกรรมทางกาย กรรมทางวาจากรรมทางจิตไม่มีจิตใจสบายจิตใจสงบนี่แหละท่านมาปาลารถทำเรียกว่ากรรมบดศิกการเรียกว่ารักษาอุโบสถจะสิ้นมีสติธปรมะชัญญาถึงหากว่าท่านจะแม้มีสติได้แค่ชั่วโมงเดียวก็ดีดีกว่าไม่มีเลยท่านมีสิ่งมีธรรมแม้ชั่วโมงเดียวก็ดีแล้ว ดีกว่าท่านจะไม่มีอะไรเลยว่างไปว่างมาเปล่าไปเปล่ามาเป็นตน้นแต่วันธรรมชวมนะเช่นวันนี้เราก็สร้างความดีพบพระนในวันพระทําใจให้เราเฉยสักหนึ่งชั่วโมงไม่ต้องถึงวันและคืนเมื่อก่อนนี้คืนก็วันเช่นเวลาวันนี้นะ่ะเป็นวันอุโบสถถ้าเรากลับจากวัดไปก็มันมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความว่าวุ่นในบ้านบ้านเราเนี่ยมีแต่ของปลอม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 แต่เลนเยาทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดเจแนแล้วก็ควรจะใส่ใจในภาคปฏิบัติให้มากจึงจะถูกต้องเครื่อหลักเราเป็นพุทธศาสนิกและเป็นชาวพุทธอย่าเป็นชาวพุทธแบบฟอร์มไม่เกิ ด, ป, ดกประโยชน์ต่อที่ผลต่อปฏิการได้เพราะฉะนั้นเรามีหลักสามประการที่อราต้องทำกันนั้นทานศีลภาวนาถ้าพระก็ใช้าขาสาม ศีนสมาธิอัญญา ก, ก็อันเดียวคล้ายกันแต่โยมเป็นผู้ครองเลี้ยนครองรักครองรถพุชนาปกครองบ้านปกครองเมืองของตนดูด้วยความร่มเย็นเป็นฉกมีบุตรมีธิดาหลานลานเล็มมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่ในบ้าน ก็เรียกว่าปกครองบ้านปกครองเมืองให้มีความสุขกต็ต้องมีหลักสามประการทานศีลภาวนาทานคือเผื่อเฉ ล, ลี่ยความสุขซึ่งกันและกันเป็นการให้และช่วยซึ่งกันและกันไม่ทะเลาะวีวาทพี่ต้องให้น้องน้องต้องช่วยพี่กาความดีให้ดีกาบัดรดาเลี้ยวทานเสียสละได้ ไม่เอาลัดเอาเปรียบกันมีสำหรับภาววาและการที่สองศีลเราก็มีสติสัมปชัญญะประจำจิตบังคับใจถ้าหากว่าจิตเราฝึกสมาธิดีสามารถจะควบคุมตัวไว้ได้ดีมากจะไม่ให้ตัวเราเลิง้งละลายออกไปนอกรูนอกทางควบคุมไม่ได้เหมือนอย่างมีโลก เรามีโครคภัยไข้เจ็บยากทานไปหนึ่งเม็ดสามารถควบคุมโรคไวดับยี่สิบี่ชั่วโมงบางเม็ดควบคุมโรคไวดัดหกชั่วโมงบางเม็ดใช้ได้สชั่วโมงเลยไปต้องกินใหม่ฉันใดกว่าฉันนั้นถ้าเรามีสมาธิอยู่มา ก, กเจริญกรรมฐ า, านฝึกไวเป็นระดับเป็นปัจจุบันทมแล้วสามารถควบคุมตัวอยู่ได้ตลอดไป ถ้าเรามีสติปัญญาสี่จเจริญสิงอยู่ตลอดรายการหลายชันน่วโมงนั้นลมหายใจเขาออกมีสติสัมปชัญญะสามารถจะควบคุมจิตให้คุมตัวเราได้ไม่พลาดไม่ประมาทไม่ละโอกาสอันดีงามจิตใจจะไม่เหลงออกไปนอกลูก่นอกทางได้แน่นอนแต่เราก็ไม่เคยฝึกไหนเลยเราจะควบคุมตัวเองควบคุมจิตไว้ได้ ก็ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ตัวเองก็ออกไปหละหลวมหลาแหละเลี้ยวไห ล, หลออกไปยังลูกหนทางจนแตงจนกรอกจนประตูจนเงินจนทองไล้เท่าไล้ของมันเป็นเพียงความจนไม่ล่ามรวยกับเขาเลยลนี่แหละขาดทานชีนลภาวนาไม่มีการช่วยใครไม่มีการให้ใคร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 ปกครองครอบครัวดูเย็นป็นสุขสามารถควบคุมครอบครัวไว้ได้พอบานแม่เลือนที่ดีได้แก่ธรรมะได้แก่คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นบ้านนั้นไม่จนจะเป็นคนรวยด้วยทานรวยด้วยศีลรวยด้วยปัญญาเรียระทานศีลภาวนาทำให้เกิดปัญญาแหลมเลือปตักไปด้วยสติ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 ก็ได้แก่การเจริญธรรมซ้ำมาปฏิบัติในงานที่อันนี้การเจริญธรรมมาฐานน่นเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมทาให้ธรรมะแน่นหนาฝังจริยะให้แน่นในจิตใจจิตใจจะมั่นคงจิตใจจะถาวรจิตใจจะลงรากลดกก่อตึกสูงได้เทียมเวหาชีวิตชีวาก็จะก้าวไปสู่ไกลอ้าวไม่ใช่เกาะออกไม่ใช่เก็บซืออบอเจาะเจาะให้ลึก ตลอดราการนีเนี่ยเป็นตัวสำคัญของการปฏิบัติธรรมท่านจะไม่จนจะไม่มีความจนกับระการได้วันนี้จะพูดกันเรื่อเรื่องความรวยความสวยความดีความมีปัญญาที่จะต้องแก้ปัญหาชีวิตจากความจนสิตจนใจจนแป้จนปัญญาเลรคนเรายุคใหม่สมัยนี้มันมีแต่ความจนจนตลอดรายการจนแป้ นกรอกออกประตูไม่ได้ก็เนื่องจากขาดแสงสว่างในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเดินทางคลาไปด้วยความมืดมืดและบอดทั้งมืดทั้งบอดตลอดเลยการไม่มีอะไรสว่างไว้ในจิตใจทั้งทั้นเลยถ้าเราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะ่ะท่านจะมีแต่ความสว่างมีแต่ความสวัย ม่แต่แสงเดือนส่งล่าสงาสิงห์แสงพอาทิตย์ก็จ้าแสงพระจันทร์ก็สงลาสนาสิงห์แต่ทั้งหลายเอ๋ยพระอาทิตย์ส่งแสงก็ไม่สามารถจะส่งแสงเข้ามาในตู้นี้นได้พระจันทร์วันเพนลอยเด่นนุภาพกัแสงสว่างก็จริงแหละแต่ทว่า แสงกระจันนั้นก็ไม่สามารถจะส่งไปในที่ตู้ในห้องมึดของเราได้แต่แสงอะไรหนอส่งได้แสงปัญญาแสงปัญญาที่เราได้จากการจเจริญกรรมาฐานเกิดแสงสว่างไม่มืดบอดชีวิตจะจั่มใสทำใจให้สบายเป็นปกติตลอดรายการ จะรู้เหตุรู้การรู้นอกรู้ในรู้เหนือรู้ใา้รู้กาละเทศะสุจละษณะได้จะรู้ถึงบาปถึงบุญคุณละโทประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ท่านจะรู้ถึงเชิงไปแสงอะไรจะเกิดแสงสว่างเมื่อแสงทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นคือตัวปัญญาสามารถจะส่องเข้าไปในตู้ได้ แ, แสงอาทิตย์แสงประจัส่งไม่ถึงตามจังไรอื่นแสงไฟฟ้าก็าไม่สามารถจะส่งเข้าไปในตู้นั่นแหะแสงปัญญาแก้ไขปัญหาสามารถจะสอดส่องดูที่มืดให้เป็นแสงสว่างคือทางปัญญาหลอบลู่ในกองการช้ำขานนนั้นจะอ่านตัวออกจะบอกได้ใช่เป็น จะทำอะไรก็เห็นแต่ปัญญาแก้ไขปัญหาได้ทุกชั้นนี่แหละท่านมีสติควบคุมจิตของท่านไว้ได้จิตของท่านก็จะไปควบคุมร่างกายต่อไปกายจะยืนหรือจะเดินจะนั่งจะนอนจะเลี้ยวซ้ายแลขวาคููเหยียดอีกขาท่านจะมีสิ่อยู่ในตัว่จะมีจิตใจเป็นแม่ตาปราถนาดีในตัวทำอะไรก็มีแต่ให้กับช่วย ออกมาอย่างท่านจะรวยไม่ไม่พักรวยน้ําใจรวยจิตรวยนอกรวยในรวยอัจารัยไม่มนุจะสัมพันธ์ทำอะไรท่านจะรวยมีเมตตาปราธนาดีทุกคน่าจจะเกิดแสงสว่างไปไหนไม่มีเรื่องราวกับใคไปไหนไม่แต่เอารัดเอาเปรียน ท, ท, ท่านสิใดอาจจะมุ่งแต่ความเสียสละ ลดละความหิงกับตัวท่านจะไม่มัวบายมุกแต่จะหาสร้างความสงบสุขให้แก่ครอบครัวลูกหลานของตอนในครอบครัวท่านจะทำตัวเป็นแบบต่อสังคมต่อไปในโอกาสข้างหน้าแน่นอนและชัดเจนมากสำหับทั้งหลายเอยผู้ที่มาเจริญกรรมาฐานได้ที่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมท่านไม่ได้สม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 ท่านฟังไม่เป็นฟังเ้ื่อปัญญาได้ไหมเขามาดา่าเรามีปัญญาฟังถ้าเรามีปัญญาฟังมีสมาธิดีมันจะไม่รับคำด่ามาไว้ในใจมันจะปิดไว้ไม่เอาความดา่าความเลวของใครมาไว้ในตัวเองถ้าคนไหนที่เลวร้ายเลวร้ายากาดในตัวจะชอบไปหาเรื่องชอบไปหาเรื่องคนดา่า ชอบไปหาต่อว่านินฉาว่าร้ายถ้าเรามีสติควบคุมจิตได้โดยจเจริญสมาธิสติปัานสี่อาจจะไม่สนใจใคำดา่าชันท่านจะฟังเป็นด้วยปัญญาอ๋อคนนี้มาด่าเรามาว่าเราใส่ร้า ย, ายปราดั์ว่าติเราก็จะบอกว่าอย่าเอาพิมพเสนไปแไลกกระเือมันจะเหลียววิสยัย ก็พิงเสนน่ะนะแพงกว่าเปลองเราเนี่ยเป็นสาวราคาต้องสองล้านเขามาขอเกลี้ยออกไปทะเละเขากลางตลาดราคาตกเหลือเฉลิงเฟืองไม่มีใครซื้อต่อไปชั้นใดก็ฉะ น, นั้นคนดีมีปัญญาจะอยู่ด้วยความสงบดูด้วยสมาธิเป็นล่มใหญ่หายนาย่อมลมเย็นเป็นสุกจะไม่ออกไปทะเละวีวายกับท่านผู้ใด นี่น่ยฟังเป็นต้องฟังอย่างนี้ฟังด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาเห็นสาวหรือหนุ่มมารูปกร่างดีหรือทั่วประธานใดต้องเชิดอฉาะเฉให้ยึกเห็นหนอยพิษะลงกลายเท้าปลายเท้ากุญชะเหมือนท่านยืนหนอห้าครั้งทําให้มันได้ถ้าท่านทําไม่ได้เสี ย, ยใจด้วยถ้าท่านทำได้ท่านจะรู้เลยเนี่ยคนนี้นิ ส, สัญญาายเชิงไั เราครบฆ่าสมาคมได้ไหมคบได้แต่ค่าด้วยไม่ได้เป็นคนเลวค่าด้วยกังโกงเราแน่คบไปเถอะแต่อย่าค้าอย่า อ, อย่าเอาหน้าเอาตาแบบนั้นชีวิตนี้จึงมีค่าเวลาถึงจะมีไประโดได้คนเราจะไม่ใช่คบค่าสมาคมก็ได้ทุกคนแต่คบที่เรากินกัญชาไดา้แต่เราไม่ไปกินกับเขาเราไม่ไปค่ากับเขา เราไม่ไปคืนเล่ากว่าเขาดูเยี่องกายาวอย่างกาว่าอีกาเนี่ยดูเยี่ยงมันเป็นขโมยกิงของเป็นนี่อันนี้เราไม่ฆ่าเขาแต่ดูเยี่องมันไว้ว่าอีกาเนี่มันเตือนใจสืหักกินขยันมากก็อเอาเยี่ยงมันมาใช้ได้ไม่ได้ไอคนนี้ที่เล่าเมายาแต่มันขยันหาทินจนร่ำรวย ก็ต้องคบมันจะอย่าฆ่าก็มันจะไปกินเหล้าก็มันได้ไม่ได้ตรงนี้ไปเร่อนสำคัญท่านสาทุ่ชนพุทธบริษัททั้งหลายต้องมีพวกไว้ทุกชน้นองสมเด็จพระโพชิตศัก์เจ้าขาวเวชนดอนจอมปลาดให้สะดกมหาทานแกยาจกวันนี้พกก่อนที่จะเดินทางไปบำเพ็ญทษเป็นดาโหมดเลอสีอยู่ป่าหิมะ า, านเขาุกฏ แต่ยังกล่าวออกมาชัดเจนสุราบานจะติดถึนินชาจะต้องให้สุลาเป็นฐานด้วยนิฉะนั้นพวกสุราบานก็จะติดถึงอินชานท่านยังให้เล่าสุลาเป็นฐานไดน้นี่แหละพระโพธิสัตว์เจ้าที่จะสเสวยประชา่าตอนสเสวยประชา่าเป็นเวสวยฉันดอนขันต์บทจอเข้าสู่ป่าทีมาผานให้ทานทุกชนิดทั้งสุลายาเมาก็ให้ฐานนี่แหละคบค่าสมาคม พบได้อยากฆ่าฆ่ากับเขาก็ไปกินเหล้ากับเขาไปกินยาสฝืนกับเขาเช่นนี้หาขวนไม่ไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งพวงการสาทุกชนพุทธบริษัททั้งหลายเอ๋ยที่เรามาปฏิบัติธรรมในต้องการตรงนี้เนี่ไม่ใช่ต้องการมาเที่ยวเล็กก็ขอฝากขอบินท บ, บาีโยมหญิงโยมชายณสถานที่ศีบารศ บ, บริการอย่าเอาเรื่องกับใคร มากงน้อยนอนน้อ ย, อยพูดน้อยทำความเพียรให้มาอย่าไปสนใจ ใ, ใครใช่ไหมหูนี่อย่าเอาเสือออกไปข้างนอกเขาพูดกับทีนโน้นออกไปย่องไปแอบฟังอย่างนี้คนจะแพทย์ี่คุมจิตไม่ได้คุมตัวไม่ได้ไม่อยู่แล้วคนที่ดีมีปัญญาจะโลองถึงสามลาเงียบจุด ดูในสนามนิธนาจะไม่ลบ ก, กันข้เตรียมพร้อมที่จะฆ่าศึก 50, จะมาล้อมธนกรกายนาครไว้เุนดักต่อสู้ต่อเหตุการณ์ในฆ่าศึกฐานหึกในสงครามได้แต่ที่เหล็กในานับปรกการเป็นตกยังนี้อย่าลบไม่สู้สร้างความรู้ให้แก่ตนเองเป็นประการสาคัญ น, นี่แหละนะกรรมฐานา ม, มาแล้วอย่าไปคุยัน กาหนดได้ภายในเจ็ดวันท่านจะรู้จริงขึ้น่ะท่านเคยใจร้อนเปิดประตูก็ค่อยๆ เ, อเปิดนอเปิดหนอปิดนอช้าๆุนเคยชินจิตใจท่านจะเย็นลงไปมากสบายท่านจะรวยน้ำใจท่านจะรวยถิ่นจะรวยฐานรวยทั้งสติปัญญาแน่นอนเดินไปห้องน้ำปาาสาวะหยุดจระก็กาหนด มีสติทุกประการรับรองท่านจะใจะเย็นขึ้นแลท่านจะรวยมากขึ้นจะไม่มีความจนอยู่ในจิตใจําให้จนนอกจนใ น, นจนจิตจนใจต่อไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่เป็นคนใจร้อนข้าพเจ้าจะใจะเย็นช้าพอช้าช้าพอช้าสิบตาว่าไม่เท่าตาเห็นสิบกายเห็นไม่เท่ามือคำํำ เต็ดมือคลำยังไม่เท่าจึตยับยับย้งที่น้องที่รักเอ๋ยเข้าเถื่อนต้องเปลี่ยนพระเข้าป่าต้องเปรียนไมดพรากระท่าขวานเพ่าะวาอุปสันมากมายเหลือเกินในโลกมนุษย์นี้อยากจะฝากน้ำต้องหาอาวุธเรามานี่ทุกคนนี้ต้องมีอาวุธประจำตัวด้วยกันทุกคนวลาลมท่านว่าไว้ไม่ใช่เรื่องเล้วไหลเข้าเถื่อนต้องเปลียนพระ คนเข้าป่าต้องเตรียมมีดท่ากับท่าขวานไ้ตัดฝากน้ําที่มันขวางทางหญ้าโโยมทางหลายจะปลูกบ้านปลูกเรือนก็ต้องถางป่าทาั้งภูมให้เตียนก่อนนี่ชั้นใดก็ชั้นนะั้นเราจะทําอะไรก็ต้องฉากต้องถานต้องเตรียมมีดท่ากับท่าขวานดังที่กล่าวแรกก็ได้ความออกมาว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เลชาติต้องเตรียมอาวุธ อาวุธของเรานั่นได้แก่ปัญญาวุตโตมีอยู่ในตัวของเราแล้วนี่คือปัญญาการเจริญพระกรรมาฐานเป็นอาวุธสามารถจะผักผลานพวกข้าศึกขก้เหร่ที่บันเหตุทาลายเราในตัวเองได้ดังที่เก่าวแล้วขอเจริญพอรอย่างนั้นต้อเปลียมอาวุธที่ท่านมาเจริญทานถ้ามาปฏิบัติก็เปลียมอาวุธประจำตัว แต่ไขปัญหาให้ได้ในหมู่บ้านของตอนก็ราะคนเรามีแต่ปัญหาให้ยุ่งยากแถมสร้างปัญหาแก่ตัวเองได้เหนือหน่อยยากได้ยากจนมีเงินมีทองก็สร้างหายปัญหาให้หมดลอยล้อไปเงินทองก็ไม่มีเสียท่านจะาตรงไห น, นก็ขอฝากวันนี้จะพูดถึงเรื่องความรวยความจน ก็ เ, เห็นคนจนกันมากในยุคศรนต์จนมากเธอจะติดตกก็ขอฝากไว้มีในสักชัยที่ปาอักษรนางที่เปิดสอนหานโลงศรมาที่วัดหมดเนื้อประดาตัวเจงเงินทองไม่มีแม้แต่จางเดียวอาตมาดูหน้าเห็นหนอวคนนี้จะรวยมหาสาราเชื่อเหรอเห็นหนอ จะรวยงูเฮ้งขึ้นเห็นหนอเนี่ยฟังไม่ดีต้องส่งกระแสจิตทางนี้ถ้าตรงฉ้นผัดซัดเราจะดูหน้าผาเขามันมีแสงธนาผาดำแก้งทุกอย่างแก้งแก้งแก้งตรงนี้อน่ยาการรมฐานทําให้รวยไม่อยากกรรมฐานนี่จะไปสวานิทานทิ้งหัวทิ้งเมียการทิ้งลูกไม่ใช่เห็นหนอดูหน้าผาท่านเลยมังสมันมีงูเฮงไหม มันเฮงร้ายชวยคือเซงรีฮอร์ไหมไม่มีห อ, หอหแ์เลยมันก็เจง น, นี่นายสาชายมีหมดตัวเนี่ยมาหอพ่อครับผมหมดตัวเลยเนี่ยไม่มีจริงเชื่อเราไหมเข้ากรรมฐ า, านเลยเจ็ดวันเจ็ดคืนอย่าพูดกับใครนะเข้าไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราพ่อช่วยพอได้กรรมฐ า, านปัญญาเกิดได้อาวุธแล้วคราวนี้อาวุธไปต่อสู้เนี่ยนี่เปิดร้านค้าอาหารอ็อบใครแหล ออสเตรเลียจะไปเปิดบูนายะก่อจัดร้านอาหารห้าล้านบาทนี่เดือนเดียวแต่ลอยล้านดูกฎแห่งก ร, รมเล่มที่เด็ดต่อไปก็ปากว่าบางคนมาไม่อ่ะื่อเกียจแล้วมันจะรวยเหรอมานั่งคุยกันปากยื่นปากยากตลอดรายการเนี่ยมาปากยื่นปากยาเนี่ยเปิดประตูดังเพิ่งตังเพิ่งตงังกระแถมคุยกันด้วยนะคุยกันด้วยนะแล้วจะรวยเหรอ คุยเรื่องอะไรสับเพล่พพเหอขอฝากญาติน้องมาด้วยอย่าคุยได้ไหมจริ่นน้อยนอนน้อ ย, อยพูดให้น้อยทำควาเพยียรให้มากเจ็วันท่านจะรู้เดี่ยวเดินกลมไปสิไปห้องหน้าห้องถ่าเดินอย่างสวนสนามไปเลยพูดพลาดพูดพลาดแล้วไปคุยกันขท้าวความหลังไอเรื่องบาบาๆ บ, บอแล้วก็แม้เปรดเดี่ยวกันในวันจะอยู่ห้องเดียวกันให้เสียงให้หึมเลยคุยเรื่องนินทาผัวเนี่ย ได้ยิงมาถึงทุวันราสภพรานเนี่ยติดตั้งมายังสุวันราสภพรานอกคูจะตายในเรื่องจริงเบอร์ประตูเนี่ยปึ้งตั้งเปรงใจเข้ามาเรามาปฏิบัติธรรมต้องเงียกสงบอยูด้วยสักสัิสันติา 4, 3, 4, 4, 4, 4ลังสุขขันสุขอื่นเยี่อความสงบไม่มียด้ในลลกพรนษาทุกคนช่นาหญัญญาภ่วยเปล่ายังในฉักชัยเนียวันนี้ตัวเ่าตัวมา มาขอของดีไปเปิดป้ายสิบูนายเปิดร้านอาหารบอกหลวพ่อผมละหน้าได้แล้วคนที่มาเข้างานผมเนี่ยชื่อสัตว์หมดถ้าเรามีกรรมาฐานแผ่ในกายเขาเขาจะเป็นคนจากล้ายกายดีได้เป็นคนชื่อสัตว์บอกว่าคนงานเข้าแต่ร้านตัวห้าหกศรีเป็นร้อยวันนี้บอกว่าขอของดีหน่อยหลวงพอ่อเอาลูกกายงาที่ห้าไปจะไปเปิ ด, ดย้านเปิดด้านนี่ก็ห้าล้านเนี่ย ร่างขายอาหารบอกว่าหลังมัดทิ้งกันฉับบัดเลยโอ้โหเก็บเงินเก็บทองไม่ทักเงินไหลนองทองไหลมานี่กรรมฐ า, านรวยก็ทําไม่ตรงเงินข้ามเจงกรรมฐ า, านเจงนะไม่มีกรรมฐ า, านเลยหนละอยากคุยกันได้ไหมจะพูดกันก็พูดด้วยเหตุเฉีงนะทานข้าวขอกเที่ยวช้าชาท่านทําอย่างนี้ชับบาเจ็ดวันช้าชาห้ามพูดปาไม่พูด จิดไม่คิดสมาธิภาวนาตามปัญญาเกิดหนังสือไม่มีตัวมันจะปุดใช่ในสาตชายนเรา่อผมจะเขียนมาให้หมดเลยนะลงกดทากา ร, รมเมืลงที่เด็กบอกเอารูปถ่ายมนดิผมไม่มีตังเลยเสง่เสง่ใแล้วนี่มันมาได้ยังไงยังเงินเนี่ยเป็นร้อยล้านมาได้ยังไงนี่วันนี้เข้ามาที่กันไปเปิดจางประเทศเนี่ยเราเราต้องชอบรวยดนกัน ขอถามหน่อยฮะพวกเรานี่ชอบรวยไหมจ๊ะไม่มีใครชอบไม่เป็นไรไม่ชอบรวยไม่เป็นไรไม่รวยไม่ชอบไม่ชอบอไเป็นไงถ้ามาถาเนี่ยถ้าให้คนรวยบอกให้ไมันใครเชื่อรวยสติปัญญารวยการแก้ปัญหาได้ท่านมีลูกจะท่าคน ท่านมีสติควบคุมจิต่านได้ท่านจะรู้เลยว่าลูกคนโตนี่จะเรียนหมอแล้วลูกคนที่สองนี่จะไปวิศวกรลูกคนที่สามนี่ต้องไปเข้าธรรมศาสตร์เรียนกฎหมายเป็นผู้บักษาถ้าจะรู้อย่างนี้ท่านคันสียใจด้วยไปรู้ไอ้เรื่องที่ไม่ควรจะรู้ไอ้เรื่องพวกชาวบ้านเขาชอบเอาหูไปฟังเสียงหนอนี่หมายความว่าอย่าไปสนใจเสียงเสียงก้าหูมันควละ อ, อัน ตากับลูกมันคนละอันยังนี้เป็นต่อนี่มันมีความหมายอยู่มากนี่วันนี้พยานมาเนี่ยวันหลวงพ่อผมจะเขียนลงกฎกรกรมเรื่องที่เด็กเป็นตัวอย่างนี่ผมมาได้ที่วัดเนี่ยผมมาเรียนตาปากได้ที่หลวงพ่อนี่ที่หลวงพ่อสอนผมแล้วหลวงพ่อป่าหวยผมบอกว่ารวยภายในไม่ชาเข้ากรรมาฐานก่อนกรรมฐานเนี่ยทําให้ผมช่วยได้เยอะมันจะมาบอกผมเองว่าสติบอกว่า ควรไม่ควรแลวคนที่มาสมัครงานที่มาเท่าเนี่ยควรไม่ควรแต่ผมเห็นล้วเนี่ยสงสารมัสองคนพวมเมียเนี่ยนะจนไม่มีอะไรเลยแต่นิสัยไม่ดีนินสัยชอบโกหกสองข้าขโมยเลยผมก็ลองเลี้ยงมันดูทีแล้วเอามาเข้างานแล้วก็ผมก็แผ่เมตตาให้เลิกโกหกได้เลยและวไงเป็นขโมยนี่เป็นได้แต่ขอให้ท่านมีสมาธิหน่อย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 ชอบดีไหมชอบดีชอบสวยรวยทำใจให้กว้างขวางอย่าทําใจแค่สามีเขาจะไปไงอย่าไปสนใจอย่าไปหึงห่วงนะถามว่าคนหึงหัวเนี่ยคนใจแค่ไม่รวยต้องเอาโลกออกหน้โลกคือหมู่สัตว์ที่เราสายกันอย่นี้โลกคือโลกที ต้องเรียนหนังสือหาวิชาใจตนในโลกมนุษย์และเราก็ไปเรียนโลกุตะแก้ไขปัญหาควบคู่กันไปถ้าผู้เห้เด็กเข้าใจก็เรียกความรู้คู่ความดีดังนั้นจะอธิบายเรื่องง่ายๆจากกามนั่งกรรมถานอาจารเดินยืนห้า ห, าหนอยืนหนอห้าครั้งดเดินกระโจมให้ช้าบางคนไม่เข้าใจมีจดหมายมาหากมายืนหนอจะต้องหนึ่งขโม ยืนไปลมล้มไปเลยบอกอาตานามาจากไหนยืนไปชั่วโมงยืนเนายืนเนาะเราก็บอกเดินหนอะใชไม่เดินไม่รู้ไปตามใครมายืนหนออยู่หนึ่งชั่วโมงบอกเราพ่อเลยแหมหิวเลยหิวแล้วก็ล้มตึงลงไปเลยเข้าฌานถลอกไปอย่างชั่วโมงเป็นลม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 เนี่ยอย่างเนี้ยจำผิดเราจะไปยืนอย่าง้ะเดีย๋ยวเอาแค่ห้าหูนข้าห้าครั้งยืนลงไปหนึ่งสองขึ้นมาสามลงไปสี่ขึ้นมาห้าลงไปแล้วก็ลืมตาดูเทา้าเดินตรงๆอย่างนี้นี่แหละกรรมฐานทำให้คนรวยได้นี่มีลายๆเนี่ยแต่ไม่สะกดตัว ม, กก ม, มีมากมากเพราะเมีจดหมายมามาบอกชื่อเราเขารวยแล้ว ดูดู่ที่สวิตเแลนด์คนนี้น่าคิดเป็นตัวอย่างเสียหลงกฎแห่งกรรมได้บบมีหลักฐานแล้วภรรยาก็ชื่ออะไรทิพปะอักษรมีบุตรสองคนแล้วก็เรียนหนังสือเก่งเขาเนี่ยแรงแค้นของพ่อเลยจนมาเลยกินข้าวน้ำปลาก็คืนบัดนี้กินข้าวขอหมูเห็ดไก่แล้ว ไม่ต้องนะอิ่มบุญอินมกุศลผมนั่งเจริญกรรมาฐานแล้วก็วันนี้เขาบอกว่าหลวงพ่อวันไหนข า, ายไม่ได้เขาดูน้องส่งขามาผมนั่งกรรมาฐานเลยเดินตรงกลมแพร่เมตตาถ้าเดี๋ยวเปลี่ยนเปลเปียนเชโอ้โหเขาแกหยิบให้ไหวเลยวันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยท้ายดีนี่รวยไหมเนี่ยรวยท่ามกลานั่งกรรมาฐานแตคิดถึงแฟนนั่งกรรมาฐานให้สามีกลับอย่างเงี้ยมันคนละเรื่องกัน ทารมีบุญวาชนาเนะเงินไรลนองทองไรลมาเองไม่ต้อไปที่ฐานว่าให้รวยไม่ต้องที่ฐานอย่งนั้นวันนี้ก็จะอธิบายเรื่องความจนความรวยเร่งโลกีย์ปัญญาในบรรพชนของธรรมะให้โยมฟังเรื่องการเจริญกรรมฐ า, านเรื่องสวดพุทธคุณธรรมคุลเจ้าคุณให้พอเท่าอายุสวดมาพาหุ่มมากาเท่งนี้เราก็สามารถมีสติปัญญาถ้าจิตใจดีจิตใจสบาย รวยถ้าจิตใจหดจิตใจหดเงินหดไปเลยเงินหนีไปหมดถ้าจิตใจ่ชนงอกเงินก็จะงอกเดียถ้าองมดีเงินก็หลายนอ ง, ง, งนนออทองเมาถ้าอ้มเสียเงินไหลออกทองไหลออกไปแต่ครบคาชนาพมสุ่งที่มายีต่อไปดังนั้นขอท่านทั้งหลายโปรดตั้งใจฟังเพื่อเป็นทัศนะศึกษาในแง่คิดของการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ที่การหน้กนากรรมฐานในชั้นสูงเนี่ยถ้าเราทําชั้นสูงได้ชั้นต่ําก็ไม่ต้องอธิบายแล้วแต่วันนี้อธิบายชั้นต้นให้ฟังว่าเรารวยจนยังไงขอท่านติดตามฟังถึงไปนโอกาสบัด น, นี้ขอเจริญพรเจริญสุขโดยทั่วกันณบัตนี้ในโอกาสบัด น, นี้จะบรรยายธรรมะสั้นๆว่าด้วยเรื่องความจนให้กันไป การนาเรื่องนี้มาสแสดงก็เพื่อเตือนใจท่านเห็นคนเนี่ยอยากรวยกันนะก็ต้องเตือนกันว่าท่านที่อยากจนให้เลี่ยพาทางแก้ไขไปเสียให้คนหรืออย่าง น, น้อยๆก็ให้ผอนหนักเป็นเบาส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ไปชิญกับความยากจนก็จะได้หาวิธีป้องกันเสียแต่นั่นเนิ่นด้วยความไม่ประมาท เพราะความจนเป็นโจรที่คอยปล้นความสุขของคนหลับอย่าลืมว่าความจนนั้นเป็นโจรที่คอยปล้นความสุขของคนหลับฉะนั้นขอท่านโปรดศึกษาเรื่องความจนกันต่อไปไ ง, ไง่ายๆให้เข้าใจบางก่นความเข้าใจเรื่องโจนในนันงสือพชนานิกรมให้อธิบายว่าจนคือขัดสนไรยสับแพ้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 ยังแบ่งประเภทไปอีกสองคือจนเพราะไม่มีจนเพราะเราไม่มีที่เรียกว่ายากจนอย่างหนึ่งกับจนเพราะมีไม่พอเรียกว่าจนใจย่างส่วนจนความดีนั้นได้แก่ไม่มีความดีส่วนความดีนั้นหมายความว่าเราไม่มีความดีแล้วสมกับเพศภูมิของตัวที่เป็นอยู่จนเพราะไม่มีคื อ, อไร ทำไมจนเพราะหน่ความจนเหล่านี้แต่และอย่างให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเช่นความยากจนซึ่งบางคนคงจะรู้ลิบเดชมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างเริ่มแต่การใช้ใ จ, จ่ายจริงอยู่นุ่งหมแสนจะปื้เครียก็เงินทองใครๆก็ยกยอบว่าเป็นแก้วสารพัดนิาขาดเสียขาเสียแล้วขาด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 จะหดรัางลงไปด้วยที่มันหดหมดอะไรจะอยากทั้งมันตรงกับที่ว่าลายชัดอับปัญญากลายเป็นคนเจ้าทุกใ้คอไม่เบิกบานหมดสงาาส่าราศีแต่เจรจาพาทีกับใครหรือเข้าสังคมไหนไม่ใพ่เต็มภาพจริงเนื่องจากทางโลกถือว่ามีเงินมีทองเจรจาได้คือทำให้ เสียงดังเท่าไหนเข้าได้คู่คนยังเปล่งว่าถึงยาดนิดก็ดูจะอัศคัตขับสมไม่เหมือนคนร่ำรวยซึ่งมียอดทั่วทิศมีไม่ทั่วประเทศเหมือนต้นไม้มีผลดอกนกกาพากันลุ่มล้อมมากมายแต่พอไล่ผลนกกาก็พากันห่างเหินสมกับที่่ันว่ายามมั่งมีามาก ยามตกยากยากหมดยากหมดไปความจนเป็นมารคอยบันดาลให้คนเสียใช่แต่เท่า น, นั้นความยากจนยังเป็นมารคอยบันดาลให้คนเสียตแต่ต้นร้อนสายตลกตะแลงสับหลับกลับปลอกพูดจาเลี้ยวไหลให้มีนี่สินลุงหลังกลายเป็นคนทุจริตช่อลากบางหลวง ล่อลวงล่อสดมทั้งๆ ท, ท, ที่บางคนไม่อยากทำเช่นนั้นแต่ความจนบังคับให้ต้องทำอยางนี้บางคนเห็นโลกนี้มีแต่ความทารุณไร้เมตตาปราณิเกิดมามีแต่ความอาภัพอับว่าชนะเลยจบชีวิตลงอย่างน่าอานาจก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยที่พระพุทธเจ้าตัวว่า พาฤทธิยังทุกขังโลกดความจนเป็นทุกข์ในโลกก็สมแลงสาเหตุของความจนสาเหตุของความจนนี่แหละชะตาชีวิตของคนยากจนที่ใครๆพากันกลัวนัะแต่ก็หนีกันไม่ใช่ทั้งที่อาจเป็นด้วยเหตุหลายอย่างในคำเพีอังคุตเ ก, กลละลิกายอัตกะมิบาท ากาปบว่าพระพุทธเจ้าตราเหตุของความจนไว้สื่ออย่างคือหนึ่งเกิดจากการเกยดคราบสอง 2. เกิดจากไม่รู้จกักราษาซักสเกิดจากมีมิจฉุ่นสี่เกิดจากไม่เข้าใจใช้จา่ายซักด้วยตนเองในเหตุสีประการดูเหมือนว่าขัดข้อข้อถุกท้าจะปฏิบัติกันได้ยากข้อถุกภ้าปฏิบัติกันได้ยาก เพราะโดยมากคนเรามากมีนิสัยชู้รู้ชู้รักไม่ใค่ประหยัดพอได้ชับมาแล้วก็ลืมตัวลืมความยากจนบางคนต้นเดือนเหมือนเศรษฐีแต่พอตกปลายเดือนเหมือนย่าจบคนที่สรู้ชู้รัแม่ลายได้จะมากจนถึงขนาดที่เรียกว่าปากถุงล้มแต่ปลาบใดที่ก้นถุงยังรั่วก็ตั้งตัวดะยาก ก็มีแต่รายรับรายจ่ายแต่ไม่มีรายเหลือมีรายรับรายจ่ายหมดไม่มีรายเหลือยังมีเหตุอื่นๆอีกที่ทำให้ยากอยงเช่นหนักในทางอบายมุกมัวเมาในการพนันชอบเพศเลศุลามัยไเกินขอบเพตตลอดจนมากๆในกามาลมตรงกับที่ว่าศุรานารือภาชีกีลาบัตนั่นเอง นอกจากนี้บางคนมีนิสยัยเฉภาพของอะไรหายก็ไม่ติดตามหาโดยถือเสียว่าหมดหาใหม่หายช่างมันเครื่องใช้ชำรุกนิดหน่อยก็ทิ้งไม่รู้จัก จ, กจะซ่อมแซมได้เครื่งเสียครึ่งบ้านเรือนก็ปล่อยให้สก ป, ปลอกโล่งลังผู้จาอย่าทายฟังแล้วไม่เป็นมงคลแต่หูรวมความว่าเอาหลักอะไรไม่ได้เลย ถ้าพ่อบ้านแม่เรือนคนไหนมีลักษณะอย่างนี้แนะทายว่าตั้งตัวได้ยากเป็นทีถึงจะล่ามรวยมาก่อนก็ปกครองทรัพย์ไว้ไม่ได้จะต้องหมดเนื้อปดาตัวในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นสิโคคาณมาสยุทสีคือเิิงขวัญเป็นที่มานอนคือแต่ที่มาแทนโทควาหมายความว่าทรัพย์สมบัติ ชอบดูกับคนดีๆส่วนคนไม่ดีทรัพย์จหมัดไม่ชอบอยู่เ้วยเรื่องนี้ขอท่านพิจารณาดูเถิดท่านว่าของท่านไว้ไม่ผิดเลยในแบบตามคาสอนพระพุทธเจ้าแนวทางสร้างความร่ารวยนี้ฉะนั้นผู้เห็นภัยของความยากจนจึงควรรีบแก้ไขเชียอย่าปล่อยไปตามอย่าถากำยังที่เขาพูดกันชีวิตนี้ยังมีหวัง ชีวิตนี้ยังไม่สินหวังเพราะยังไม่สายเกินไปเมื่อรวยได้มันก็จนได้ท่านอยับะมาธนะิรวยได้ก็จนได้จนได้ก็รวยได้และเมื่อจนได้ก็รวยได้เป็นของคู่กันไม่ต้องวิตกกักวงวลแต่ประการใดท่านว่าทรัพย์มิได้ทรัพย์มิได้ใครปัญญาวายหาได้หมอนานพวกแว้มแดนดินมี่อเ่นทุกขสถาม ได้ใเกียดคล้านบ่าทานพบนาและว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำหมายความว่าทรัพย์มีอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งขออย่างเดียวให้ลงมือทำอย่างจริงจังเสม็จแน่ถ้าพทธเจ้าจอมปราดจัดแนะนําทางร่งดรวยไว้ว่าหนึ่งต้องขยันทำงานสองต้องราศษาทรัพย์ไว้ให้ตอดภัยสาเลือกพบแต่คนดีมีปัญญา ที่เข้าใจใช่ใจซับทั้งกองมีบางท่านตั้งชื่อธรรมะคือข้อนว้วาห์ใจเฉยเฉยโดยอักษรตัวต้นของศัพท์คืออาธาธาุอาตากัศมาเรียงรวมกันท่านว่าใครภาวนาอยู่เสมอแล้วรวยทุกคนแต่อย่าพึงเข้าใจผิดทิดว่าเมื่อภาวนาคถานีแล้วไม่ต้องทำมาหกินอะไรกันเลย ยงนั่งหลับถูหลับตาสร้ำภาวนาอุกาคาชะอกาคาส ะ, าาสะเงินทองก็จะไหลามาเทมาถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็นับว่าเป็นกรรมของคุณนะั้นเพราะแทนที่จะเป็นเศรษฐีกลับปลายเป็นคนยากกไปเองความจริงท่านแนะให้ภาวนาเช่นนั้นสุขปสง์ก็เพื่อให้ลงมือปฏิบัติตามหลักธรรมตั้งสอจารกการนะั้นอย่างจริงจัง ส่วนกว่าจะบรรลุผลสมความมุ่งหมายเมื่อได้ทำความเข้าใจเช่นนี้แล้วก็ขอให้ท่านจองอลงนำวุตใจเศรษฐีไปภาวนาือบัารับรองว่ารวยแนย่เน่เพราะพระพุทธเจ้าตรัอะไรไว้ไม่ผิดไม่มีผิดอันหนึ่งทรับนี้แม้จะเป็นเรื่องของโลกถึงกันนั้นนักธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมก็ควรชมใจ ผู้ปฏิบัติธรรมก็ควรโหนใจด้วยเพราะศาสตร์ใดที่ยังอาศัยโลกนี้อยู่ก็ยังต้องกินต้องใชา้สาสตรนั้นก็ยังทิ้งทรัพย์ไม่ได้แม้คำบุรุษทานบางอย่างหรือจะสร้างประเทศชาติศาสนาให้รุ่งให้เจริญรุ่งเรืองก็ต้องอาศัยทรัพย์เป็นเครื่องสนับสนุนแต่ว่าเมื่อปฏิบัติธรรมมากขึ้นไปจนถึงขั้นสูงแล้วก็ละทิงทรัพย์ได้ เหมือนกับนายข้างที่สร้างตึกเสร็จแล้วก็ลงมือรื้อนั่งล้านล้านมาออกเสีย้ยจนะจนอันเกิดจากการไม่พออย่างท่านทั้งหลายอยือจนอันเกิดจากการไม่พอในประเภทที่สองใไกลจนาย จ, จนอันเกิดจากความไม่พอคือถึงจะมีทรัพย์เหลือล้นกว่าเหลือล้นความรู้สึกก็ยันจนอยู่สมัย จนแบบนี้ทำให้ใจยิ่นหลนอยู่แค่ น, นิดหาความสุขได้ยากบางลายจะกินอยู่ใช้สอยก้มก็เบียดกรอนื่งแต่จะสะสมท่าเดียวมีทรัพย์ไว้ก็เหมือนก้อนดินไม่เกิดประโยชน์ท่าควรผลสุดท้ายได้ดีลูกหลานเหมือนพึ่งที่อุตสาสะสมน้ำหวานไว้ให้ผู้อื่นเอาไปกินสบายตัอไม่ได้กิน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 ในทรัพย์สินที่มีอยู่ให้ได้เท่านั้นจนพอจนความดีบางคนจนความดีส่วนประกอบต่อมาได้จะจนความดีหมายถึงว่าไม่มีดีถทาที่ควรจะมีในความดีนะั้นมีสองประเภทคือดีโดยธรรมชาติได้แก่ดีที่มีมาเองเช่นลูกดีเสียงก็ดีเสียงเพราะเป็นต้องอีอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งดีโดยคุณธรรม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 ข้อนี้มีหลักสังเกตง่ายๆอยู่สองอย่างที่สิ่งที่ทำลงไปนะั้นถ้าถูกต้องตามท้ารำดีนานยังหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งเป็นประโยชน์แก่ตัวและแก่ผู้อื่นด้วยพึงทราบ ว, ว่านี่คือความดีถ้าตรงกันข้ามก็พึงทราบเถิดว่านั่นคือความชั่วความทั่วพึงทำความดีในหน้าที่อย่อยางไรเนื่องจากความดีที่ควรทามีอยู่มาก แต่เพื่อให้เหมาะแต่กาแก่เวลาจึงขอสรุปกล่าวเฉพาะความดีในหน้าที่คิดว่าเพียงเท่านี้ก็พอแต่การปฏิบัติแล้วคือใครมีหน้าที่อย่างไรก็ปฏิบัติให้ดีที่สุดเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูอาจารย์เป็นทหารเป็นตำรวจเป็นนักบวชเป็นใครแต่การเป็นต้นก็ปฏิบัติไปตามหน้าที่เท่านั้นก็นับว่าเป็นคนดีได้ เปียเสมือนการสแสดงละครเมื่อได้รับเป็นตัวอะไรก็สแสดงได้ดีสมบทสมบาตจะเป็นตัวนางก็สแสดงได้อย่างออยอย่่าางงสวยงามจะเป็นชายเอกก็สแสดงอย่างสวยงามสมบทบาทคนดูก็ยกย่องชมเชยโลกนี้เหมือนละครโรงใหญ่ทุกคนคือตัวละครของโลกมีหน้าที่สแสดงต่างๆทัน ตูแต่ผู้กำกับคือกรรมผู้กำกับแสดงก็คือตัวกรรมจากบันชาตลอดเวลาใครแสดงดีก็มีชื่อเสียงถ้าใครแสดงไม่ดีก็ได้รับแต่ชื่อเสียฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคนของโลกควรชื่อสัดต่อหน้าที่จะเปล่าพ้นจะไปจงจำไว้ชั่นๆว่าเกิดมาเป็นคนอย่าให้จนความดี เกิดมาทั้งทีต้องให้มีดีติดตนไปส่วนหน้าที่ที่ท่านจะพึ่งปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่ความดีจะมีอยู่อย่างไรบ้างไม่จำเป็นบรญญาติเพราจะกลายเป็นว่าเอาน้ำมาสอนปลาเอาน้ำมาสอนปลาให้เสียไปหมดหลักอันความดีต่างๆเท่าที่อ้างนั้นเป็นเพียงข้าโลภียังวนเวียนอยู่ในโลก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 ผิดกฎหมายบ้านเมืองก็นับว่าใช้ได้แต่ในขณะอดูยวกันก็ควรพยายามลดความอยากลงทีละน้อยจนกว่าจะหมดปลา้สุดเพื่อบรรลุขั้นสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาสรุปความว่าความจนทุกชนิดไม่ว่าจะจนเพราะเพราะไม่มีหรือจนเพราะไม่พอตลอดถึงจนความดีล้วนเป็นทุกข์ทังนนเหตุนี้ผู้หวังความสุข ความเจริญจึงควรหาทางป้องันอย่าให้ความจนเกิดขึ้นนะหรือมาอเกิดขึ้นแล้วก็รับหาวิธีกำจัดเสียไม่มีอะไรดีด้วยการเจริญจะกรร ม, มาฐานแก้ไขปัญหาความจนให้เรารวยนําจาจรวยสิ่งที่เป็นคุณค่าของชีวิตแห่งความดีอย่าปล่อยไปตามอย่าถากำเลยเมืม่อปฏิบัติได้เช่นนี้ชื่อว่าได้อาศัยอยู่ในโลกอย่างสุขสารา์ ดังเทศนาบรรหารดังสิ่ลงล่าแรียดรูปการญญาท่านสาธุชนผู้ก่บริษัททั้งหลายโปรดพิจารณาตัวเองเด้วยการทุกคนเราจะเป็นศาสนาคริสต์อิสซาม์ฮินดูศาสนาใดาก็าตามเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีใครที่จะต้องออกนอกเหนือนี้ใครได้ สังขาทุชนพุทบริษัทท่างไรโปรดพิจารณาทุกวันว่าให้ลำนึกศถึงคุณพระพุทธเจ้าดูในจิตใจของเราทุกวันคือพระปัญญาคุณพระอุปถัคุณพระเมตตากุณาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลำเลิศถึงถ้าธรรมคําสอนทุกประการที่ควรจะปฏิบัติธรรมลำเลิศถึงพระสงสาวบอกอริยสง ผ้กอบพิีปฏิบัติชอบทุกวันจวเราเลือกถึงทางที่เราบริจาคทุกวันทางไชบาททําบุญถวายทังาทานถวายบุญสงเคราะห์โรงพยาบาลโรงเรียนวัดวาอารามต่างๆและเราจะทําต่อไปให้ยำเลึกถึงสิ่ที่รักษาและจะรักษาต่อไปถ้งสิ่งอุโมสถสิ่กรรมบดสิทุกประการขอให้ เ, เลึกถึงธรรม ที่จะเป็นเทวดาฮิโอตะปะให้จนไะด้ข้อเจ็ดขอให้ระลึกถึงความตายทุกวันว่าเราจะต้องตายแน่ไม่มีใครตัดชั้นบียดเบียนได้ต้องตายอย่างจริงจังตายแน่นอนไม่มีใครรบพ้นความตายให้ได้แฉกอากันได้อะการที่แปดให้ระลึกถึงสังขารร่างคานอสุภะกรรมฐานมีแต่ของเน่าเปือ่อย ไม่มีของที่จะสวยงามให้เกิดเพลินเจริญใจแต่ประการใดให้ลำลึกไว้นะประกลางพิกาขอให้ลึกชึงลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้าคลองน้อสให้ใจออกไปก็หยุดน้อทุกวันว่าเราให้ใจเข้าไม่ออกให้ใจออกไม่เข้าเราก็ต้องจากโลกไปสุดตายทุกวันแล้วข้อสิบขอให้นึกถึงอารมณ์พระนิพพาน ขององค์สมเด็จตะชมมาทั้งผู้เจ้าเจ้าพลังนั้นสอนให้เราพ้นทุกข์ถึงว่ารมบัตรถกคือนิทานโดยถวนากัรขอสาธุชนทั้งหลายตั้งใจบำเพ็ญเทียนกุศล่านศินละภาวนาตลอดการประวัติศาสพิจารณาศิจารณาดังกล่าวแล้วไว้เป็นประจำทุกวันถ้าจะไม่ประมาทข้าพลัง อีกต่อไปจะเจริญสุกเจริญ้ีจเจริญหน้าที่กางงานรสดคลาคคานแกริฐานในานาพุทธการเดือนนาซื่ต่อไปขอท่านสาธุชนพุทธลักบริษัททั้งหลายจงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรหองามไพบูรณ์ในบรวรพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จจะสมาสสจัมพุทธเจ้าโดยถัวนาคัง ขอทุกชาติจงเจรินไปด้วยอายุวั น, น ะ, ะปุถภะพละอปิธานากนาคราละสมบัตินเกรื่องชิ้นหนึ่งประการใดขอให้ชมมากรานานโดยถวนากัรณะโอกาสบับนี้เชิญ